บทที่สามผู้ที่ทําได้เช่นนี้โลกทั้งโลกจะอยู่ข้างเขาผู้ที่ทําไม่ได้จะเดินไปตามหนทางอันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวข้าพเจ้าไปตกปลาในรัตเมนทุกๆฤดูร้อนข้าพเจ้าเป็นคนชอบกินผลสตอรอเบอรี่ใสครีมอย่างที่สุดจากการตกปลาข้าพเจ้าพบความจริงอันน่าพิษวงว่าปลาไม่ชอบเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแต่กลับชอบไส้เดือน ด้วยเหตุนี้เองเมื่อข้าพเจ้าตกปลาข้าพเจ้าไม่ได้คํานึงถึงว่าข้าพเจ้าชอบกินอะไรข้าพเจ้าคํานึงแต่ว่าปลาชอบกินอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่ได้เสียบเบ็ดด้วยผลสตรอเบอร์รี่ใส่ครีมแต่ทว่าข้าพเจ้าเสียบด้วยไส้เดือนหรือตกกะกแตนและหย่อนเบ็ดนั้นลงไปในน้ําล่อให้ปลากินและพูดเจ้าชอบกินไหมล่ะทําไมเราจึงไม่ใช้สามัญสํานึกในการปฏิบัติต่อมนุษย์แบบเดียวกับการตกปลา นั่นคือสิ่งที่ลอยยอดได้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อมีผู้ถามเขาว่าเขามีวิธีการอย่างไรจึงเถลิงอำนาจอยู่ได้หลังสงครามในเมื่อผู้นำในสมัยสงครามหลายคนวินซันออร์นโดและเคลมังโซตตกกระป๋องและถูกลืมไปแล้วเขาตอบว่าการที่เขายังคงเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ได้เช่นนี้อาจจะเป็นเพราะสิ่งเดียวเท่านั้นกล่าวคือเนื่องมาจากเหตุที่เขาเรียนรู้ความจริงแล้วว่า การตกปลาย่อมจําเป็นที่จะใช้เหยื่ออันเหมาะสมกับปลานั้นๆทําไมเราจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการการกระทําเช่นนั้นเป็นลักษณะของเด็กดีๆนี่เองมันเป็นความโง่อย่างชัดๆัถูกแล้วท่านย่อมจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งที่ท่านต้องการท่านเอาใจใส่ในความต้องการของท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความต้องการของท่านไม่มีใครเอาใจใส่เหมือนตัวของท่านเองหรอก เราทุกคนเหมือนท่านด้วยกันทั้งนั้นเราเอาใจใส่ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นวิธีเดียวในโลกนี้ที่เราจะจงใจผู้อื่นก็คือจงพูดถึงเรื่องสิ่งที่เขาต้องการและบอกเขาว่าทำอย่างไรเขาจึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการนั้นๆโปรดจำไว้ให้ดีว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าท่านประสงค์จะให้ใครคนหนึ่งทำบางอย่างท่านจงพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการเป็นต้นว่า ถ้าท่านต้องการไม่ให้ลูกชายของท่านสูบบุหรี่อย่าเทศนาเขาและอย่าพูดในสิ่งที่ท่านต้องการแต่จงอธิบายเขารู้ว่าบุหรี่จะเป็นเหตุให้ทีมเบสบอลที่เขาเล่นสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรือเขาจะแพ้การแข่งขันวิ่งเร็วทางหนึ่งร้อยหลาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งท่านควรจำไว้โดยไม่ต้องคำนึงว่าท่านจะนำมาใช้กับลูกของท่านลูกวัวหรือลิง ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้วันหนึ่งรามันโดเอเมอร์ซันและลูกชายของเขาพยายามจะให้ลูกวัวตัวหนึ่งเข้าไปในโรงนาแต่คนทั้งสองกระทำไปด้วยความผิดพลาดของคนทั่วไปโดยนึกถึงแต่สิ่งที่ตนต้องการเอเมอร์ซันผลักและลูกชายดึงวัวตัวนั้นเจ้าลูกวัวก็ทำอย่างคนทั้งสองทาเหมือนกันคือมันนึกถึงแต่สิ่งที่มันต้องการเหตุนี้เอง มันจึงเกรงขายืนเฉยและแสดงอาการดื้อไม่ยอมไปจากทุ่งหญ้าสาวใช้ชาวไอริสผู้หนึ่งมองเห็นกิริยาท่าทางอันกระอักกระอ่วนของคนทั้งสองที่ไม่สามารถจัดการกับลูกวัวได้หลอนจึงมาช่วยจิงอยู่สาวใช้ผู้นี้ไม่มีความสามารถในทางแต่งความเรียงและแต่งหนังสือได้เหมือนเอเมอร์สันแต่สําหรับกรณีนี้หลอนรู้ถึงจิตใจของมา้า หรือของลูกวัวดีไปยิ่งกว่าเอเมอร์ซันเสียอีกหล่อนคิดถึงว่าเจ้าลูกวัวต้องการอะไรเหตุนี้เองหล่อนจึงแสดงความปราณีแก่มันในลักษณะแห่งผู้เป็นแม่โดยสอดนิ้วมือเข้าไปในปากลูกวัวและขณะมันดูดมือของหล่อนหล่อนค่อยๆจูงเข้าไปในโรงนาอย่างง่ายดายการกระทําของท่านทุกประการนับตั้งแต่ท่านถือกําเนิดมาสู่โลกเป็นเพราะท่านต้องการบางสิ่งบางอย่างนั่นเองท่านคงจะสงสัยว่า การที่ท่านบริจาคเงินให้สภากาชาติหนึ่งรอเหรียญเป็นความต้องการบางอย่างหรือเปล่าแน่นอนทีเดียวกฎอันนี้ไม่ได้รับการยกเว้นในการกระทำนี้ของท่านการที่ท่านบริจาคเงินให้สภากาชาติ100หนึ่ง้อเหรียญก็เพราะท่านต้องการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านต้องการปฏิบัติตนให้ปรากฏว่าท่านมีความปรารถนาที่จะกระทาในสิ่งดีงามปราศจากการเห็นแก่ตัวและเป็นสิ่งอันประเสริฐ การที่ท่านให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของข้าพเจ้าแม้แต่คนหนึ่งเปรียบเหมือนท่านได้ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าเหมือนกันถ้าหากท่านไม่ได้เกิดความรู้สึกต้องการทำบุญโดยมีความเสียดายเงินหนึ่งร้อเหรียญของท่านท่านคงจะไม่บริจาคเงินจำนวนนี้ให้แก่สภากาชาติเป็นแน่ถูกแล้วอาจจะเป็นได้ที่ท่านจำใจบริจาคเพราะมีเจ้าจำนำที่ดีคนหนึ่งของท่านขอร้องให้ท่านทำเช่นนั้นซึ่งท่านตกอยู่ในฐานะที่จะต้องกระดากอายถ้าท่านปฏิเสธเสีย อย่างไรก็ตามมีสิ่งแน่นอนอยู่ประการหนึ่งในการบริจาคของท่านนั่นคือท่านบริจาคเพราะท่านต้องการบางอย่างศาสตราจารย์แฮร์รี A ่เอโอเวอร์สีได้เขียนไว้ในหนังสืออันลือชื่อของเขาการชักจูงความประพฤติของมนุษย์การกระทำมาจากความปรารถนาอยู่ก่อนของเราคำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งข้าพเจ้าจะให้ท่านที่ปรารถนาจะเป็นผู้จูงใจผู้อื่นแม้จะเป็นในวงธุรกิจ ในบ้านในโรงเรียนในวงการเมืองก็คือสิ่งแรกจงปลูกความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่สามารถทำได้เช่นนี้โลกทั้งโลกจะอยู่ข้างเขาผู้ที่ทำไม่ได้จะเดินไปตามหนทางอันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแอนดูคาเนกี้เด็กหนุ่มอดอยากยากจนชาวสกอตผู้เริ่มทำงานด้วยไรายได้ชั่วโมงละสองเซนและภายหลังบริจาคเงินในการกุศล365้าล้านเหรียญ ประจักษ์ความจริงตั้งแต่ครั้งที่เขายังอยู่ในเยาววัยว่าการที่จูงใจผู้อื่นก็โดยการพูดถึงสิ่งที่เขาผู้นั้นต้องการในชีวิตของเขาเคยเข้าโรงเรียนเพียงสี่ปีเท่านั้นแม้กระนั้นเขายังเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดีขอยกตัวอย่างดังนี้น้องสะพายของเขาเกิดเป็นทุกข์เป็นห่วงอย่างมากถึงลูกชายสองคนของร่อนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเยล ทั้งนี้เป็นเพราะลูกทั้งสองยุ่งอยู่กับกิจธุระของตนจนเพิกเฉยที่จะเขียนจดหมายมาบ้านเสียบ้างแม้ว่าผู้เป็นแม่จะส่งจดหมายเร่งร้าตีโพยตีภายไปตั้งหลายฉบับแต่ก็ไม่ได้รับตอบแอนดูเคนิ ก, กี้ท้าพานันเป็นเงินหนึ่งเหรียญว่าเขาจะทําให้หลานชายทั้งสองตอบจดหมายมาโดยเมลเที่ยวกลับทั้งๆที่ไม่มีการขอร้องให้ตอบแต่อย่างใดผู้มีชื่อคนหนึ่งพนันด้วย ดังนั้นเขาจึงเขียนจดหมายถึงหลานชายทั้งสองซึ่งข้อความไม่มีอะไรมากไปกว่าถามสุขทุกขตามปกติแต่แล้วเขาปัดถิมลิขิตว่าเขาได้สอดธนบัตรมาให้คนละห้าเหรียญเขาแซงทําเป็นเผลอลืมสอดเงินจํานวนนี้เข้าไปในซองโดยเมลเที่ยวกลับนั่นเองมีจดหมายตอบมาจากหลานชายทั้งสองด้วยการขอบคุณคุณลุงเอ็นดูที่รักสําหรับความกรุณาที่เขียนจดหมายและท่าน จะตอบประโยคนี้ให้จบได้ด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้นท่านอาจจะต้องการชักจูงใครสักคนเพื่อให้ทําบางอย่างก่อนท่านจะกล่าวคําพูดออกมาท่านจงหยุดถามตนเองฉันจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทําให้เขาต้องการทําตามที่ฉันชักจูงคําถามนี้จะช่วยเราให้ยั้งคิดแทนการผีผามไปพูดกับใครๆถึงความต้องการของเราโดยปราศจากผล ข้าพเจ้าเคยเช่าห้องลีลาดขนาดใหญ่ของโรงแรมที่มีชื่อแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กเป็นเวลา20คืนทุกๆฤดูสำหรับเป็นที่แสดงปาทกถาเป็นชุดๆครั้นเมื่อตอนเริ่มต้นของฤดูหนึ่งทางโรงแรมแจ้งแก่ข้าพเจ้าในเวลากะทันหันว่าขอขึ้นค่าเช่าเป็นจำนวนซึ่งมากกว่าเก่าเกือบสามเท่าตัวข้าพเจ้าได้รับรู้ข่าวนี้หลังจากได้พิมพ์บัตรผ่านประตูไว้แล้วและจำหน่ายไปบ้างแล้ว ทั้งโฆษณากำหนดการแสดงปาฐกถานี i ไว้เรียบร้อยเป็นธรรมดาอยู่เองข้าพเจ้าย่อมไม่ต้องการเสียค่าเช่าสูงขึ้นแต่มีประโยชน์อะไรเล่าที่ข้าพเจ้าจะพูดกับทางโรงแรมถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทางฝ่ายโรงแรมสนใจเฉพาะแต่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นต่อมาอีกสองวันข้าพเจ้าไปหาผู้จัดการโรงแรมนี้ผมตกตะลึงไปขณะหนึ่งนะครับเมื่อผมรับจดหมายของท่านข้าพเจ้าพูด แต่ผมจะไม่โทษท่านบรกถ้าผมทำหน้าที่ของท่านผมก็คงเขียนจดหมายคล้ายคลึงกับที่ท่านเขียนในฐานะท่านเป็นผู้จัดการโรงแรมนี้ท่านมีหน้าที่ทำงานให้ได้ผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ท่านบกพร่องในเรื่องนี้ท่านอาจจะถูกไล่ออกและควรจะถูกไล่ออกอย่างนี้ก็แล้วกันขอกระดาษให้ผมสักแผ่นเพื่อเขียนลงไปดูว่าท่านจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อะไรบ้างถ้าท่านยังคงยืนกรานขึ้นค่าเช่า ข้าพเจ้าเอากระดาษมีหัวจดหมายมาแผ่นหนึ่งขีดผ่ากลางลงมาและอีกด้านหนึ่งว่าเสียประโยชน์ข้าพเจ้าเขียนลงไปภายใต้หัวเรื่องได้ประโยชน์ดังนี้ห้องลีลาดจะว่างครั้นแล้วข้าพเจ้าพูดท่านจะได้ประโยชน์จากห้องลีลาดว่างโดยท่านสามารถจะให้เช่าสําหรับรีลาดและการประชุมอะไรๆก็ได้ การให้เช่าในกรณีเช่นนี้เป็นการได้ประโยชน์งามกว่าท่านได้ค่าเช่าจากการแสดงปาตกระกถาชุดต่างๆของผมเสียอีกถ้าผมจองห้องลีลาดของท่านไว้เป็นเวลาถึงยี่สิบคืนในฤดูนี้ย่อมหมายความว่าท่านจะขาดรายได้งามไปไม่น้อยคราวนี้เรามาพิจารณาถึงเรื่องเสียประโยชน์กันดีกว่าข้อแรกแทนท่านจะเพิ่มภูมิรายได้ของท่านโดยได้ค่าเช่าสูงกว่าที่ผมจะเสียให้ท่าน ท่านอาจจะลดรายได้ของท่านเพราะไม่มีใครมาเช่าเลยตามความเป็นจริงท่านกำลังจะขาดรายได้นี้ก็เพราะผมไม่สามารถเสียค่าเช่าตามที่ท่านขอผมจำต้องเปิดการแสดงปาทขถานี้ขึ้นที่อื่นยังมีการเสียประโยชน์สำหรับท่านอยู่อีกอย่างหนึ่งคือการแสดงปฐฐาขาาของผมจะชักจูงคนที่มีการศึกษาดีและมีวัฒนธรรมเข้ามาในโรงแรมของท่านนับว่าเป็นการโฆษณาที่ดีสาหรับท่านจริงไหมครับ ที่จริงถ้าท่านใช้เงินสักห้าพันเหรียญโฆษณาโรงแรมของท่านในหนังสือพิมพ์ท่านก็จะไม่สามารถชักจูงคนหมู่ใหญ่ให้เข้ามาในโรงแรมของท่านเหมือนผมสามารถชักจูงให้เขามาได้จากการแสดงปาทกระถาของผมการแสดงปาทกระถาของผมนับว่ามีค่าสำหรับโรงแรมนี้มากมายจริงไหมครับขณะข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าเขียนข้อความเสียประโยชน์ทั้งสองข้อลงในช่องภายใต้หัวเรื่องเสียประโยชน์ แล้วยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ผู้จัดการโรงแรมและพูดผมมองว่าท่านคงจะพิจารณาเรื่องได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านและโปรดบอกผมว่าท่านตกลงใจอย่างไรบ้างวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากผู้จัดการโรงแรมแจ้งว่าทางโรงแรมขอขึ้นค่าเช่าเพียงห้าสเปอร์เซ็นแทนจะเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นท่านเห็นหรือเปล่าว่าข้าพเจ้าทาให้ค่าเช่าลดลงกว่าที่โรงแรมเรียกร้อง ก็เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเลยแม้แต่คําเดียวว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้าพูดตลอดเวลาถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งและเขาจะประสงค์อย่างไรบ้างถ้าสมมติว่าข้าพเจ้ากระทําตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปกล่าวคือเข้าไปในสํานักงานของโรงแรมด้วยอาการโมโหโทโสและพูดนี่แปลว่าอะไรกันที่ท่านมาขึ้นค่าเช่าตั้งสามร้อเปอร์เซ็นต ทั้งๆ ท, ท่านรู้อยู่แล้วว่าบัตรพันประตูพิมพ์ไวแล้วและการโฆษณาก็ทำไปแล้วขึ้นตั้งสามร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้สติไม่เข้าเรื่องเข้าราวผมจะไม่ยอมจ่ายให้จะเกิดอะไรขึ้นแน่ละ่ะการโต้เถียงอย่างหน้าดำหน้าแดงเข้าหากันครั้นแล้วท่านรู้อยู่ดีแล้วว่าอวสานของการโต้เถียงจะเป็นอย่างไรหรือถ้าหากข้าเจ้าหาว่าเขาทาไม่ถูกเขาจะเกิดทิฐิขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาไม่ยอมตกลงลดย่อนผ่อนผันอย่างใดทั้งสิ้นต่อไปนี้เป็นคําแนะนําสั้นๆที่ดีที่สุดเกี่ยวกับศิลปะแห่งมนุษยสัมพันธ์ถ้ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ไปสู่ความสําเร็จเฮนรี่ฟอร์ดกล่าวเคล็ดลับอันนั้นก็คือความสามารถเข้าใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งและความสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมของเขาได้ดีเท่าๆกับมุมของท่านเองเป็นคําแนะนําที่ดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะขอกล่าวซ้ําอีกครั้ง ถ้ามีเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ไปสู่ความสําเร็จเคล็ดลับอันนั้นก็คือความสามารถเข้าใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งและความสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมของเขาได้ดีเท่าเท่ากับมุมของท่านเองเป็นคําแนะนําง่ายๆชัดแจง้งซึ่งใครๆก็สามารถเข้าใจความจริงได้เพียงแต่อ่านแวบเดียวแต่กระนั้นยังมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ถึง 90% เอร์เซนเพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํานี้90ครั้งใน100ครั้ง ท่านอยากเห็นตัวอย่างกระมังท่านจงอ่านจดหมายที่จะส่งมาที่โต๊ะของท่านพรุ่งนี้เช้าแล้วท่านจะพบว่าส่วนใหญ่ของจดหมายเหล่านั้นฝ่าฝืนหลักการแห่งสามัญสำนึกนี้อย่างมากจงดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนโดยหัวหน้ า, าแผนกวิทยุกระจายเสียงของบริษัทรับเป็นตัวแทนในการโฆษณาแห่งหนึ่งซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั่วทวีปจดหมายฉบับนี้ส่งไปให้ผู้จัดการสถานีวิทยุประจำเมืองต่างๆทั่วประเทศวงเล็บเปิด ข้าพเจ้าเขียนจดหมายเหตุแย้งข้อความจดหมายฉบับนี้ไว้ในวงเล็บทุกๆตอนวงเล็บปิดมร์ยอนแบง์เมืองแบงก์วิวรัฐอินเดียนามอรแบงก์ที่นับถือบ ร, ริษัทมีความประสงค์จะดำรงรักษาตำแหน่งผู้นำในการเป็นตัวแทนทำการโฆษณาทางด้านวิทยุกระจายเสียงวงเล็บเปิด ใครเขาจะแค่ว่าบริษัทของท่านประสงค์อะไรฉันกําลังเป็นทุกข์ถึงเรื่องปัญหาส่วนตัวต่างๆของฉันธนาคารกําลังจะ ย, ยึดบ้านของฉันที่จำนองไว้ตัวแมลงกําลังทําลายต้นฮอนลีฮอกของฉันตลาดหุ้นกําลังตกต่ําเป็นบ้าเป็นหลังเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ฉันขึ้นรถขบวน8ปดนาฬกาสินาทีไม่ทันฉันไม่ได้รับเชิญไปในงานรีลาด ท, ที่บ้านโยนเมื่อคือนนี้แพทย์บอกฉันว่าฉันเป็นโรคโลหิต ด, ดันสูงและโรคประสาทแปรปรวน และโรคหัวขี้รังแคแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกฉันมาออฟฟิศเช้าวันนี้พร้อมกับรู้สึกเป็นทุกข์เปิดจดหมายต่างๆอ่านฉันพบจดหมายวางเื่องมาจากนิวยอร์กเหาครมถึงเรื่องว่าบริษัทของผู้เขียนต้องการอะไรปะ่ะถ้าท่านผู้นี้รู้ว่าไอ้จดหมายฉบับ น, นี้ก่อควรความรู้สึกของผู้อ่านอย่างไรบ้างเขาคงจะเลิกธุรกิจการโฆษณาไปตั้งโรงงานทาเนื้อแกะต้มเป็นแน่บ่งเล็บปิด กิจการตัวแทนโฆษณาของบริษัททั่วประเทศได้ยอมรับนับถือกันแล้วในฐานะเป็นแห่งแรกที่ทําความสัมพันธ์อย่างมั่นคงกับสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหลายทั่ ว, วไปการดําเนินงานอย่างรวดเร็วทันใจในการบรรจุโฆษณาในรายการของสถานีต่างๆทําทให้เราอยู่เหนือตัวแทนโฆษณาอื่นๆปีแล้วปีเล่าวงเล็บเปิดท่านใหญ่โตร่ํารวยและวิเศษวิโสเสียเหลือเกินใช่ไหมท่านคิดว่า ฉันจะสนใจในท่านกระมังฉันจะไม่มีวันโหดร้องต้อนรับท่านแม้ว่าท่านใหญ่ขนาดบริษัทยาเนรันมอเตอร์บริษัทเานเนร์ันอิเล็กทริกและกองทัพอเมริกันรวมกันเข้าถ้าหากท่านมีชาวปัญญาเซเล็กน้อยท่านจะรู้สึกได้ว่าฉันสนใจอยู่เฉพาะแต่ว่าฉันใหญ่อย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าท่านจะใหญ่สักขนาดไหน การที่ท่านคุยถึงเรื่องความสำเร็จอย่างมหาศาลของท่านมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวของฉันเล็กและเป็นคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยวงเล็บปิดเราประสงค์จะโฆษณากิจการของเราว่ารับใช้อย่างดีเยี่ยมอย่างไรบ้างทางวิทยุกระจายเสียงตามสถานีต่างๆวงเล็บเปิดท่านประสงค์ท่านประสงค์งคเจ้าลางโงดักดานฉันไม่สนใจว่าท่านประสงค์อะไรหรือมุตโซลินีประสงค์อะไร หรือบินครอสบีประสงค์อะไรฉันขอบอกท่านให้รับรู้เสียเดี๋ยวนี้และจงรู้ตลอดไปด้วยว่าฉันสนใจในสิ่งที่ฉันประสงค์เท่านั้นซึ่งท่านไม่ได้กล่าวเลยแม้แต่คําเดียวในจดหมายบ้าๆของท่านวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นท่านจงประกาศชื่อบริษัทในรายการเสนอชื่อตัวแทนโฆษณาประจำสัปดาห์ที่สถานีของท่านซึ่งการประกาศนั้นรายละเอียดทุกๆประโยคจะเป็นประโยชน์แก่ตัวแทนของบริษัทในการรับจองโฆษณาทันเวลาวงเล็บเปิด ในรายการเสนอชื่อท่านคงวิกกนจริตไปเสียแล้วการพูดอวดใหญ่อวดโตทั้งบริษัทของท่านทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวฉันไม่มีความสำคัญอย่างใดเลยแต่แล้วท่านขอร้องให้ฉันเอาชื่อของบริษัทท่านเข้ารายการเสนอชื่อและท่านขอร้องโดยมิได้ใช้คำว่าโปรดเลยงเล็ปิดการตอบจดหมายฉบับนี้ในทันทีพร้อมกับแจ้งให้เรารู้ว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างใดไปบ้างแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ซึ่งกันและกัน วงเล็บเปิดเจ้าคนบัดซบท่านส่งจดหมายอัดสำเนาไม่มีราคามาให้ฉันจดหมายซึ่งมีข้อความเหมือนๆกันส่งกระจายไปทั่วทุกแห่งเหมือนใบไม้ร่วงในฤดูออตัมแล้วท่านยังจะอวดดีมาขอร้องให้ฉันนั่งบอกคำบอกตอบจดหมายอัดสำเนาไม่มีราคาของท่านตอบทั้งๆฉันกําลังเป็นทุกข์ในเรื่องจำนองบ้านเรื่องต้นฮอลลีฮอกและเรื่องโลหิต ด, ดันสูงมีนําซ้ําท่านขอร้องให้ฉันตอบในทันทีเสียด้วย ท่านหมายความว่าอะไรจึงใช้คําว่าในทันทีท่านไม่รู้หรอกหรือว่าฉันก็มีภาระยุ่งเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันหรืออย่างน้อยที่สุดฉันต้องการเวลาของฉันสําหรับคิดว่าฉันเป็นเช่นนั้นเมื่อเราต่างก็เป็นคนมีความสําคัญเหมือ น, อนกันท่านถือสิทธิสวรรค์วิมานอะไรมาออกคําสั่งแก่ฉันท่านพูดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ซึ่งกันและกันสุดท้ายสุดท้ายท่านเริ่มมองเห็นแง่คิดเห็นของฉัน แต่ท่านไม่ได้กล่าวให้ชัดเจนว่าฉันได้ประโยชน์อะไรบ้างวงเล็บปิดขอแสดงความนับถือผู้จัดการแผนกวิทยุกระจายเสียงปัจชิมลิขิตได้สอดสําเนาซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์แบงวิวเยอหนั่นซึ่งท่านอาจสนใจและท่านอาจต้องการใช้ส่งกระจายเสียงที่สถานีของท่านวงเล็บเปิดในที่สุดที่ปัจชิมลิขิตนี่เอง ท่านได้เอ่ยถึงเรื่องซึ่งอาจจะช่วยให้ฉันแก้ปัญหาข้องใจของฉันได้ข้อหนึ่งทำไมท่านจึงไม่เริ่มจดหมายของท่านด้วยจุดๆแต่จะมีประโยชน์อะไรเล่านักโฆษณาคนใดก็ตามซึ่งกระทำผิดด้วยความบัดซบเช่นเดียวกับที่ท่านส่งจดหมายฉบับนี้มาให้ฉันสติของเขาจะต้องวิกฤตไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยท่านไม่มีความจำเป็นที่จะรับจดหมายตอบจากฉันว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราปฏิบัติอะไรบ้างแล้ว สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านก็คือจัดการใส่ไอโอดีนสักควอดหนึ่งเข้าไปในต่อมไทรอยของท่านถ้ามนุษย์ซึ่งใช้ชีวิตของเขาคลุกอยู่กับการโฆษณาและอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเจนจัดในศิลปะแห่งการจูงใจผู้อื่นให้เสียเงินเขียนจดหมายด้วยข้อความเช่นนี้เขาจะหวังความร่วมมือจากบรรดาผู้รับจดหมายของเขาแม้จะเป็นคนขายเนื้อคนทำขนมปังและคนทำตาปูตอกพรมได้อย่างไรกัน ต่อไปนี้เป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนโดยผู้อำนวยการบริษัทรับทำการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งถึงนักศึกษาหลักสูตรนี้คนหนึ่งของข้าพเจ้ามอรเอดเวิร์ดเวอร์มิเรนจดหมายฉบับนี้บันดาลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ผู้รับหรือโปรดอ่านต่อไปแล้วข้าพเจ้าจะบอกท่านบริษัทเอเชียกาซันเลขที่28ถนนฟรันซ์บรูกลินนิวยอร์ก เพื่อให้มรอเอ็ดเวิร์ดเวอร์มิเลนรับรู้ท่านสุภาพบุรุษการปฏิบัติงานของท่านที่หน่วยรับพัสดุเพื่อจัดส่งลงเรือต่อไปได้เกิดคลุกคลักยุ่งยากเนื่องจากเหล่าพัสดุต่างๆประดังส่งไปยังเราพร้อมๆกันในตอนบ่ายมากแล้วผลก็คือทำให้หีพอทั้งหลายคั่งแน่นไปหมดซึ่งต้องเสียค่าล่วงเวลาให้คนงานรถบรรทุกของท่านก็ต้องรอคอยและบางครั้งพัสดุเหล่านั้น ไม่สามารถจะจัดส่งได้ทันเวลาเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนเราได้รับสิ่งของจากท่านหนึ่งร้ยห้าสิบชิ้นเมื่อเวลาสิบหกตาีสิบนาทีเราขอให้ท่านร่วมมือกับเราเพื่อให้จัดการแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี้ให้เรียบร้อยโดยอย่าส่งหีบห่อของท่านไปยังเราในเวลาบ่ายมากเกินไปจะเป็นได้ไหม ถ้าเราขอร้องท่านให้ท่านพยายามส่งหบหพอไปถึงท่าเรือในวันที่ท่านต้องการจะส่งสินค้าของท่านลงเรือเร็วกว่านี้หรือส่งไปให้เราสักส่วนหนึ่งในเวลาก่อนเที่ยงวันประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการปฏิบัติเช่นนี้ก็คือเราสามารถขนบหพอลงจากรถบรรทุกของท่านได้รวดเร็วและเป็นที่ประกันได้ว่าสินค้าของท่านจะส่งลงเรือในวันเดียวกับที่เราได้รับจากท่านขอแสดงความนับถือเยบีผู้อำนวยการ หลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้มอร์เวอร์มีเลนผู้จัดการแผนกจำหน่ายของบริษัทเอเชียกาซันส่งมันมาให้ข้าพเจ้าด้วยหมายเหตุจดหมายฉบับนี้ประสบผลตรงข้ามกับความประสงค์ของผู้เขียนในตอนเริ่มต้นของจดหมายเอ่ยถึงความขลุกขลักของการขนส่งที่หน่วยรับพัสดุซึ่งโดยแท้จริงทางด้านเราไม่สนใจอะไรเลยการขอร้องให้เราร่วมมือกระทำลงไปโดยปราศจากการคำนึงถึงว่า เราประสบความยากลำบากยุ่งยากอะไรบ้างและแล้วในที่สุดในตอนท้ายเอ่ยถึงข้อเท็จจริงว่าถ้าเราร่วมมือด้วยย่อมหมายถึงว่าการขนหิห่อลงจากรถบรรทุกของเราจะกระทำได้รวดเร็วและจะเป็นที่ประกันว่าสินค้าของเราจะส่งลงเรือเรียบร้อยในวันที่รับจากเรานั่นก็คือสิ่งที่เราสนใจที่สุดเอามากล่าวไว้ในตอนท้าย ซึ่งผลที่ปรากฏขึ้นก็คือเป็นการยั่วให้เกิดความรู้สึกแข็งข้อยิ่งกว่าความรู้สึกร่วมมือด้วยเรามาพิจารณากันดูว่าเราจะเขียนจดหมายฉบับนี้เสียใหม่และแก้ไขอย่างไรจึงจะอ่อนหวานและมุน ล, ละไมเราอย่าเพิ่งเสียเวลามาโต้แย้งถกเถียงกันถึงปัญหาต่างๆของเราเลยดังเช่นเฮนรีฟอร์ดได้แนะนำไว้กล่าวคือเราจงมีความสามารถเข้าใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง และสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมมองของเขาได้ดีเท่าเท่ากับมุมมองของท่านเองต่อไปนี้คือหนทางหนึ่งในการแก้ไขจดหมายฉบับนี้ให้ดีขึ้นอาจจะไม่เป็นการแก้ไขอย่างดีที่สุดแต่มันได้แก้ไขให้ดีขึ้นใช่ไหมท่านมอรเอ็ดเวิร์ตเวอร์มิเลนนบริษัทเอเชียกาซันเลขที่28ถนนฟรันช์บุกกลินนิวยอร์กมอรเวอร์มิเลนที่รัก บริษัทของท่านเป็นลูกค้าที่ดีของเรามาเป็นเวลาถึง24ปีแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องรู้สึกขอบคุณในความอุปการะของท่านเราจึงกระหายที่จะรับใช้ท่านเพื่อให้งานของท่านดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเรารู้สึกเสียใจที่จะแจ้งแก่ท่านว่าเราหมดความสามารถจะปฏิบัติเช่นนี้ได้ในเมื่อรถบรทุกของท่านนาหีพอจานวนใหญ่มาส่งให้เราในเวลาบ่ายมากแล้ว ดังเช่นเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นขออธิบายว่าลูกค้าอื่นๆอีกมากต่างส่งหีหอไปในเวลาบ่ายมากแล้วเช่นเดียวกับท่านซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะทำให้เกิดการคั่งจนแน่นไปหมดทั้งนี้เป็นเหตุให้รถบรรทุกของท่านต้องเสียเวลาคอยที่ท่าเรือโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และบางครั้งสินค้าของท่านส่งในวันนั้นไม่ทันเป็นสิ่งไม่เหมาะไม่เหมาะอย่างยิ่งมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอย่างไรหรือ ถ้าไม่ขัดข้องท่านโปรดส่งสินค้าของท่านไปยังท่าเรือก่อนเที่ยงจากการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้รถบรรทุกของท่านไม่ต้องจอดคอยสินค้าของท่านจะได้รับการขนส่งโดยรวดเร็วและคนงานของเราจะสามารถกลับบ้านแต่หัวค่ำเพื่อกินดินเนอร์อันประกอบด้วยมกักโรนีและเส้นมีรสโอชาซึ่งทำมาจากโรงงานของท่านโปรดจะถือว่าเป็นการร้องทุกข์และอย่าคิดว่าผมอวดสั่งสอนท่านถึงวิธีดำเนินงาน เจตนาอันแท้จริงในการเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เพื่อจะรับใช้ท่านด้วยผลอันดียิ่งขึ้นเท่านั้นแม้ว่าสินค้าของท่านจะมาถึงเมื่อใดก็ตามเรายินดีอย่างยิ่งที่จะพยายามจัดการโดยรวดรเร็วเต็มความสามารถเสมอท่านมีธุรยุ่งโปรดอย่าลำบากที่จะตอบจดหมายฉบับนี้ขอแสดงความนับถือเยบีผู้อำนวยการทำไมคนเดินตลาดหลายพันคนในวันนี้ จึงย่ำอยู่ตามทางเท้าด้วยกิริยาท่าทางอ่น อ, อนประโหยยเนื่องจากกันหมดกำลังใจและมีรายได้ต่ทาทั้งนี้ก็เพราะเขาเหล่านั้นมักจะคิดถึงแต่สิ่งที่เขาต้องการนั่นเองเขาเหล่านั้นไม่ได้คิดว่าท่านและข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินซื้อสิ่งใดและถ้าเราต้องการซื้อบางอย่างที่จำเป็นเราจะออกจากบ้านและหาซื้อเอาเองเราตั้งสนใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้นต่อการขบคิดปัญหาต่างๆของเราถ้าหากว่า คนเดินตลาดคนใดสามารถจะอธิบายให้เรารู้ว่าการรับใช้ของเขาและสินค้าของเขาจะช่วยให้เราในการแก้ปัญหาของเราคนเดินตลาดคนนั้นไม่จําเป็นต้องมาเสนอขายแต่เราซื้อเองธรรมดาของลูกค้าทุกคนมักจะรู้สึกในการซื้อสิ่งของต่างๆว่าเขาซื้อด้วยความอยากได้แต่ไม่ใช่ซื้อเพราะความจาใจที่มีผู้มาเสนอขายให้ แม้กระนั้นก็ตามยังมีคนเดินตลาดอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขาเที่ยวเสนอขายสินค้าโดยไม่ได้มองสิ่งต่างๆจากมุมมองของลูกค้าเลยขอยกตัวอย่างดังนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ตำบลฟอเรสต์ิลเป็นสถานที่ปลูกบ้านอาศัยของคนหมู่ย่อมๆหมู่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของนครนิวยอร์กและตาบลใกล้เคียงวันหนึ่ง ในขณะข้าพเจ้ากระวีกระวาดไปที่สถานีรถไฟข้าพเจ้าพบนายหน้าซื้อขายสิ่งก่อสร้างและที่ดินซึ่งทำกิจการทางด้านดังกล่าวณเนะกาะลองไอแลนด์มาหลายปีชายผู้นี้คุ้นเคยกับความเป็นไปของฟอร์เรสต์ฮิวเป็นอย่างดีเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรีบกระหืดกระหอบถามเขาว่าบ้านของข้าพเจ้าที่จะสร้างขึ้นโดยการฉาบ ป, ปูนสต็กโกควรจะทำหลังคาแบบใช้ระแนงเหล็กดีหรือใช้กระเบื้องชนิดเป็นร่องยาวๆโดยไม่ต้องใช้ระแนงเลย เขาตอบว่าเขาไม่รู้และบอกข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วกล่าวคือให้ถามสมาคมฟอเรสต์ฮิลล์การ์เดนวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากชายผู้นี้ฉบับหนึ่งท่านคิดว่าเขาอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงข้อสงสัยของข้าพเจ้ากระมังความจริงการอธิบายเรื่องนี้เขาจะเสียเวลาโทรศัพท์ถึงข้าพเจ้าเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแต่เขาไม่ได้กระทําเช่นนั้นเลยจดหมายของเขาบอกข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งครั้นแล้ว เขาขอร้องข้าพเจ้าให้เขาเป็นผู้จัดการกับการประกันชีวิตของข้าพเจ้าเขาไม่ได้สนใจในการช่วยเหลือข้าพเจ้าเขาสนใจเฉพาะแต่ในการช่วยเหลือตัวของเขาเองเท่านั้นข้าพเจ้าน่าจะยื่นหนังสือสองเล่มให้เขาหนังสือดีที่สุดซึ่งแต่งโดยแวตยังชื่อผู้บำเพ็ญกรณีและโชคลาภร่วมกันถ้าเขามีโอกาสอ่านหนังสือที่กล่าวแล้วและปฏิบัติตามหลักปัจจายในหนังสือทั้งสองเล่มเขาจะได้รับผลกําไรยิ่งไปกว่า จะมาจัดการให้ข้าพเจ้าประกันชีวิตตั้งหนึ่งพันเท่าผู้ทำงานด้วยวิชาชีพก็เคยผิดพลาดในทำนองเดียวกันหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเข้าไปในสำนักงานแพทย์ลรือนามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคในจมูกและคอณเมืองพีลาเดลเฟียก่อนแพทย์ผู้นั้นจะตรวจดูต่อมทอนซิลของข้าพเจ้าเขาถามข้าพเจ้าว่าดาเนินอาชีพอะไรเขาม่ได้สนใจต่อขนาดต่อมทอนซิลของข้าพเจ้าว่าเล็กใหญ่อย่างไรบ้าง เขาสนใจเฉพาะแต่ขนาดของกระเป๋าของข้าพเจ้าว่าเล็กใหญ่อย่างไรบ้างเท่านั้นความห่วงใยสำคัญของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะรักษาข้าพเจ้าได้มากน้อยเท่าใดความห่วงใยสำคัญของเขาอยู่เฉพาะที่ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์จากข้าพเจ้ามากน้อยเท่าใดเท่านั้นผลก็คือเขาไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเดินออกจากสานักงานนั้นด้วยกิริยาดูถูกต่อมญาตอันซามของเขา โลกของเราเต็มอยู่ด้วยมนุษย์ประเภทนี้ละโมบโลภมากตั้งหน้าแต่จะกอบโกยด้วยเหตุนี้เองบุคคลที่มีใจกว้างโดยไม่เห็นแก่ตัวและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งค่อนข้างจะหายากจึงควรแก่กันยกย่องสรรเสริญบุคคลชนิดนี้มีคู่แข่งขันจริงดีอยู่น้อยที่สุดโอเวนดียังกล่าวบุคคลที่สามารถจะเปลี่ยนตัวของเขาให้เป็นตัวของผู้อื่น และสามารถเข้าใจจิตใจของผู้อื่นอย่าได้เป็นห่วงว่าอนาคตของเขาจะไม่ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงถ้าหากว่าจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถรับประโยชน์อยู่หนึ่งประการกล่าวคือท่านเกิดนิสัยดีงามยิ่งกว่าเก่าในการคํานึงถึงแง่คิดเห็นของผู้อื่นและท่านมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของเขาถ้าหากท่านสามารถรับประโยชน์อยู่เพียงประการเดียวเท่านั้น จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นอย่างง่ายๆว่าวิถีชีวิตของท่านได้ก้าวไปด้วยดีอีกขั้นหนึ่งแล้วมีชายอยู่จำนวนมากเข้าวิทยาลัยเพื่อศึกษาการอ่านโครงของเวอร์ยูและขมักคเม้นศึกษาความเล่นลับของวิชาคำนวศาแบบคันคิวรัสจนสำเร็จโดยไม่เคยรู้เลยว่าจิตใจของเขาเองปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเป็นต้นว่า ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้สอนวิชาการพูดให้เป็นที่จับใจแก่ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งผ่านวิทยาลัยมาแล้วและบัดนี้ต่างทำงานอยู่กับบริษัทแคริเออร์เมือง n ิว a r รรัฐนิวยอร์ y บริษัทซึ่งสร้างเครื่องทำอากาศเย็นให้แก่ตึกของสำนักงานต่างๆและโรงมหรสบทั่วไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งชวนเพื่อนไปเล่นบาสเกตบอลซึ่งเขาพูดดังนี้ผมอยากให้คุณคณออกจากห้องนี้ไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกัน ผมชอบเล่นบาสเกตบอลมากแต่สองสามหนมาแล้วผมไปที่ห้องยิมไม่มีคนเล่นครบสักทีเมื่อคืนก่อนพวกเราสองสามคนเล่นคว้างลูกบอลกันมันโดนผมเข้าจนขอบตาเขียวแน่ผมอยากให้พวกคุณไปชุมนุมกันที่นั่นคืนพรุ่งนี้ผมต้องการเล่นบาสเกตบอลเหลือเกินเขาพูดถึงความต้องการของท่านบ้างหรือเปล่าท่านไม่ต้องการจะไปห้องยิมซึ่งคนอื่นๆก็ไม่อยากจะไปที่นั่นใช่ไหม ท่านไม่แคร์เลยว่าเขาต้องการอะไรบ้างท่านไม่ต้องการจะไปห้องยิมก็เพราะท่านไม่อยากจะโดนลูกบอลจนขอบตาเขียวเหมือนเขาเขาชักจูงท่านให้ได้รับสิ่งที่ท่านต้องการโดยใช้ห้องยิมเป็นจุดสําคัญเท่านั้นเองหรือเขาน่าจะพูดว่าจะทําให้ท่านกระปี้กระเป๋าเจริญอาหารสมองโปร่งสนุกและการเล่นบาสเกตบอลเป็นเกมอย่างหนึ่ง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 เด็กคนนี้น้ำหนักต่ำกว่าปกติและกินอาหารน้อยกว่าควรพ่อและแม่ของเด็กใช้แบบธรรมดาทั่วๆไปคือดุว่าและบ่นต่างๆนานาแม่ต้องการให้หนูกินนี่กินนั่นพ่อต้องการให้หนูโตขึ้นเป็นคนล่ำสันแข็งแรงเด็กน้อยเอาใจใส่ต่อคำอ้อนวอนเหล่านี้หรือเปล่ามันทำรองเดียวกับท่านเอาใจใส่ขนาดไหนต่อวันเลี้ยงฉลองของพวกนับถือศาสนามหมามัทธิ์แท้ๆผู้ที่มีความรู้สึกเป็นปกติธรรมดา ไม่มีใครเลยจะหวังว่าเด็กอายุสามปีจะปริบติตามแง่คิดเห็นของพ่อผู้มีอายุสามสิบปีแม้กระนั้นพ่อผู้นี้อดจะหวังเสียมิได้มันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีแต่สุดท้ายเขามองเห็นความจริงว่าเขาหวังมากเกินไปดังนั้นเขาจึงรำพึงเจ้าเด็กคนนี้ต้องการอะไรนะทำอย่างไรฉันจึงจะทำให้ความต้องการของฉันกับของเขาประสานกันได เมื่อเขาคิดได้เช่นนี้มันไม่ลำบากอะไรเลยที่จะหาหนทางแก้ไขลูกชายของเขามีจักรยานสามล้ออยู่คันหนึ่งซึ่งพ่อหนูชอบขี่เล่นในทางเท้าหน้าบ้านในบุกลินห่างไปจากหน้าบ้านของเขาไม่กี่บ้านทางฝั่งของถนนนี้มีเด็กชอบข่มหมูอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเด็กคนนี้ชอบรังแกพ่อหนูโดยจับร่างของพ่อหนูลงจากจักรยานและขึ้นขี่เสียเอง เป็นธรรมดาอยู่เองที่เด็กน้อยผู้นี้จะร้องไห้วิ่งมาหาแม่ของเขาและสิ่งที่แม่ของเขากระทําก็คือเดินไปหาเด็กชอบข่มหมูคนนั้นจับร่างของเขาออกจากรถจักรยานแล้วจับลูกของหล่อนไปนั่งต่อไปใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแทบทุกวันเด็กเล็กคนนี้ต้องการอะไรการตอบคําถามประโยคนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เชอร์ล็อกโฮมแน่นอน เด็กน้อยต้องการจะเป็นคนมีความทะนงมีความโกรธและมีความปรารถนาที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสำคัญความปรารถนาจะมีอารมณ์รุนแรงที่สุดทุกประการซึ่งจะบันดาลให้เขาเป็นคนเก่งกล้าสามารถเพื่อเขาจะได้แก้แค้นเจ้าเด็กชอบขมหมูคนนั้นด้วยการกระแทกหน้าให้เต็มรักเหตุนี้เองเมื่อพ่อของเขาบอกเขาว่าเขาสามารถจะฟาดเด็กคนโตให้อยู่หมัดในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาเพียงแต่กินอาหารต่างๆ ที่แม่ของเขาต้องการให้กินและกินให้มากพอเพราะคำรับรองของพ่อนี่เองปัญหาเรื่องเด็กคนนี้กินอาหารน้อยจึงหมดสิ้นไปจากนั้นเป็นต้นมาพ่อหนูกินตั้งแต่หัวสปรินิตกระหล่ำปลีดองปลาทูเค็มและทุกๆอย่างอันจะทําให้เขาโตเร็วพอที่จะคว้าเจ้าเด็กเกเร ค, คนนั้นซึ่งคอยรังแกเขาอยู่เสมอหลังจากแก้ปัญหานี้ลู่วงไปแล้วพ่อของเขาจัดการกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งต่อไป เด็กคนนี้มีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเยี่ยวรถที่นอนทุกคืนพ่อหนูนอนกับยายในตอนเช้าเมื่อยายตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าที่นอนเปียกยายมักจะพูดนั่นแน่หยดนี่หนูทําเลออีกแล้วสิเมื่อคืนนี้พ่อหนูมักตอบเปล่าหนูเปล่ายายต่างหากเล่ายายได้ตะบน่นตีกน้นดุว่าให้เขาอายพูดซ้ําๆซากๆว่าแม่ของเขาไม่ชอบให้เขาทําอย่างนี้ แต่ไม่มีประโยชน์อะไรการกระทําเหล่านี้ไม่ช่วยให้หนูน้อยเลิกเยี่ยวรถที่นอนเลยพ่อแม่จึงถามกันเราจะทําอย่างไรเด็กคนนี้จึงจะต้องการเลิกเยี่ยวรถที่นอนเขาต้องการอะไรบ้างประการแรกเขาต้องการสวมเสื้อกางเกงปายมาเหมือนพ่อของเขาเวลานอนแทนจะสวมกระโปรงเหมือนยายยายกำลังเบื่อหน่ายต่อการเยี่ยวรถที่นอนในเวลากลางคืนของเขาจึงตกลงที่จะซื้อปายมาให้ชุดหนึ่งแต่มีข้อตกลงว่า เขาจะต้องเปลี่ยนนิสัยนั่นเสียประการที่สองเขาต้องการมีเตียงนอนของเขาเองยายมิได้ขัดข้องแม่ของเขาจึงพาเขาไปที่ห้างดีพาร์ตเมนต์สโตร์แห่งหนึ่งชื่อโลเซอร์ในบรุกลินลอนขยิบตากับหญิงขายของและพูดสุภาพบุรุษเล็กๆผู้นี้อยากจะซื้อของบางสิ่งบางอย่างคะ่ะหญิงขายของทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการพูดคุณหนุ่มมีอะไรที่ดีฉันจะเอามาให้คุณดูบ้างไหมคะ เขายืดกายสูงขึ้นอีกสองนิ้วและพูดผมต้องการจะซื้อเตียงไว้นอนเองเมื่อหญิงขายของให้ดูเตียงซึ่งเป็นที่พอใจของแม่ด้วยแม่ขยิบตากับหญิงขายของเป็นที่ตกลงต่อจากนั้นหญิงขายของพูดชักจูงให้พ่อหนูซื้อเตียงเตียงนั้นโดยไม่ลำบากอะไรเลยเตียงส่งไปที่บ้านบันรุ่งขึ้นคืนนั้นเมื่อพ่อมาถึงบ้านพ่อหนูวิ่งไปรับที่ประตูพร้อมตะโกนบอกพ่อพ่อ ขึ้นไปชั้นบนดูเตียงของหนูสิหนูซื้อมันมาเองแหละพ่อพ่อขึ้นไปดูเตียงและปฏิบัติตามที่ชานชวอบแนะนําไว้เขาได้เห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่หนูจะไม่ทําให้เตียงเปียกอีกใช่ไหมพ่อถามจ้าจ้าหนูจะไม่ทําให้เตียงเปียกอีกพ่อหนูสัญญาและรักษาสัญญานั้นไว้ด้วยความภูมิใจทั้งนี้เนื่องจากเตียงนี้เป็นของเขาเขาและเขาแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ซื้อมันมา ตอนนี้เวลานอนเขามีเสื้อกางเกงปยามาสวมดูคล้ายผู้ใหญ่เขาต้องการจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่และเขาได้ทำตามความต้องการของเขาแล้วผู้เป็นพ่ออีกคนหนึ่งเคทีดัตมันวิศวกรโทรศัพท์เป็นนักศึกษาหลักสูตรนี้ด้วยผู้หนึ่งไม่สามารถจะให้ลูกหญิงสามขวบของเขากินอาหารเช้าการด่าว่าอ่อนวอนขยันขยอตามแบบที่ทากันโดยทั่วไปไม่ประสบผลแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้นพ่อแม่ของเด็กหญิงผู้นี้จึงปรึกษากันเราจะทําอย่างไรจึงจะให้แม่หนูเกิดความต้องการกินเด็กน้อยชอบเอาอย่างแม่ของเธอเธอชอบทําตัวเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักรับผิดชอบแล้วด้วยเหตุนี้เช้า ว, วันหนึ่งพ่อแม่ให้แม่หนูนั่งเก้าอี้ที่โต๊ะอาหารและเธอเป็นผู้ตักอาหารเองในเวลาเดียวกันพ่อของเด็กแส้ทําเป็นเข้าไปเสียในครัวปล่อยให้แม่หนูตักอาหารปรุงและคนเอง เมื่อพ่อกลับมาแม่หนูพูดดูสิจ้ะพ่อหนูทำข้าวมอเต็กเองเช้านี้เช้าวันนั้นเธอกินข้าวเปียกสองจานโดยไม่ต้องมีการขยันขยออย่างใดทั้งนี้เพราะเธอสนใจในอาหารเธอเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญขึ้นมาเธอได้พบจากการตักและใส่เครื่องอาหารช้าวา่าเป็นการแสดงความใหญ่โตของตนวิลเลียมวินเตอร์ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้การแสดงความใหญ่โตเป็นลักษณะเด่นซึ่งจาเป็นสาหรับวิสัยมนุษย์ ทำไมเราไม่ใช้จิตวิทยาในธุรกิจทำนองเดียวกันเมื่อเรามีความคิดที่ดีบางอย่างแทนเราจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นความคิดของเราทำไมเราจึงไม่ปล่อยให้เขาคิดว่าเป็นความคิดซึ่งเขาได้ปรุงมาจากสมองของเขาเองเมื่อเขาเข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของเขาเขาจะต้องชอบมันเช่นเดียวกับแม่หนูน้อยกินข้าวเปียกหมดไปถึงสองจานโปรดจําไว้สิ่งแรกจงปลุกความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง